สึกว่ามาเทศหบ่อยเทศไปแล้วเหมือนบานโปรยอะไรเข้าไปในท้องฟ้าหรือเปล่าหายเงียบหรือเปล่าเดือนนั่นก็องนั้นเดือนนี้ก็องค์นี้ธรรมะซึมรัพย์ซึมราบเข้าสู่หัวใจพวกเราท่านทั้งหลายมากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นนิมิตที่ดีเหมือนกันและวันพรงนี้เป็นวันมาฆบูชา วันนี้ก็ถือว่าเปยนวันครบครอบอีกในรอบของเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งในนามของโมโ ล, ละนิธิการที่เรามีโมระนิธิแบบนี้เราจะให้มีได้ทุกเดือนบางคนก็มีภาระมากไม่ก็จะมีเวลาไปวัดถึงคราวนะักและมาก็หาเวลามาก็แล้วกัน เรามานั่งฟังด้วยเรามาทําความสงบใจด้วย <c oughs> ชีวิตของเราไม่มีอะไรเก็นแก่สารสาระ<ม>นอกจากธรม <c oughs> รมะร่างกายของเราเกิดมาตามบุญตากรรมจิตใจของเราเกิดมาตามบุญตามกรรมท่า น, <c oughs> นพูดเอาไว้ว่าแก่นสารสาระของร่างกายไม่มี เราจะว่ากระดูกเป็นแกนก็ไม่ใช่คือจะพูดแกนแบบแกนต้นไม้ไมันก็ใช่อยู่มีเนื้อมีหนังหุ้มอยู่ถือว่าเป็นเปลือกเป็นกระทีกระดูกเป็นแกนแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงแกนสารสาระของชีวิตของเราที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราใจของเรามีศีลมีธรรมเป็นแกนสารเป็นสาระาะ ว, ว่าแกนสารคำว่ า, าสาระ คือสิ่งที่ช่วยพยุงจิตใจของเรามุ่งตรงไปสู่ทิศทางที่ดีที่งามเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ว่าอะไรคือทิศทางที่ดีทิศทางที่งามทิศทางที่ดีทิศทางที่งามก็คือเรารู้จักเหตุเพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงรู้จักผลคือความสุขในหัวใจของเราอย่างแท้จริง ผู้ที่จะสอสเสวยหาเก่บสารสาระคือความสุขเข้าสู่หัวใจของเราของท่านเองท่า น, นจะต้องเป็นผู้ที่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเพราะพระพุทธเจ้าท่านอุปบัติมาเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อหัวใจของสัตว์ทุกๆจำพวกไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมแม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายบางบางบางจำพวกเขารับได้ยึดรวมถึงเ ท, ว, งเทวดาเทวดาเนี่ย พระพุทธเจอุบัติมาท่า น, นเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเกิดประโยชน์เพื่อหัวใจแท้ที่จริงอัตภาพร่างกายของเราของท่านแก่นสารของร่างกายก็คือหัวใจก็คือใจดูไปที่กลางกลงใจก็คืออะไรคือธาตุหูคือผู้หูย้อนมาดูหัวใจของเรานั่งฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยหลับตานั่งภาวนาได้ยินเสียง เพราะเสียงมันเป็นอัตตะสาระมันประกอบไปกับเสียงอัตตะสาระเนื้อหาของอักของคำที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปสัมผัสในหัวของเราในหัวใจของเราจะไม่เท่ากันแต่ เ, เราเห็นความอัศจรรย์ของธรรมของพระพุทธเจ้าของเราสามารถไปต่อยอดให้กับหัวใจของเราได้ทุกๆุดวงีอัศจรรย์มากนะตรงนี้นะ ถ้าเราจะเทียบเหมือนกว่าพวกเราเป็นบัวสีเหลาปกติตัญยูวิปติตันยูในยะพทะประมามะพธาป ร, ะะปรมามะถือว่าต่ําสุดถ้าเป็นบัวก็บัวติดที่ต่ที่โคลนพร้อมที่จะเน่าไปกับที่ดินพร้อมที่จะเป็นอาหารของเตา่าของปลายับขึ้นมาอีกเหมือนบัวกันกลางน้ําในยะัะประเภท ป, ประเภท ประทาปรมาถ้าถือว่าต่มตมสุดๆเลยแหละโอกาสที่คนจะไปปลุกไปปลอบให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สึกนะรู้สึกตัวนี้จะมีน้อยมีน้อยจะเป็นประเภทสัตว์คือปร ะ, ปร ะ, ะ, รประเภทสัตว์ที่มีแต่สัญชาตญาณไม่มีเกตจำนองอะไรที่อยากดึงชีวิตจิตใจของตัวเองไปสูป่ผลสุประโยชน์ตามความต้องการของมวยใจได้ แต่เรพอสามารถจะปั้นติดได้อยู่นี่ธรรมะของพระริจยาวความสามารถจะไปต่อยอดขึ้นมาได้เพราะมันเป็นหัวใจของคนหัวใจของคนกับหัวใจของสัตว์นี่จะแตกต่างกันมากเขยับขึ้นไปอีกกลางนา้ำในยะท่านบอกว่าพูดไปได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเจตนาที่จะตั้งเนื้อตังต้งตัวสร้างพลังความดีมากขึ้นเขยับขึ้นไปอีกบัวโผล่เสมอนนะ้ำปริ่มน้ํา วิปจิตันยูก็ถือว่าฉลาดมากกลางกลางปคติจันยูฉลาดเป็นปราเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีบุญบุญสเต็มเตี่ยมเพียรพร้อมมาแล้วถึงขั้นว่าเป็นผู้มีภูมิสติภูมิปัญญาได้ดีจนถึงอัจฉริยะบุคคลตั้งแต่ปกติตันยูวิปจิตันยูในยะปะทัศประมะก็าตามเป็นหัวใจของคนดูถูกกันไม่ได้นะ สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เพราะชีวิตความเป็นมนุษย์มันเป็นชีวิตที่มีบุญมาแล้วอย่างไม่น้อยเขามีสินไม่ครบหตั้งห้าข้อสินห้าไม่ครบตั้งห้าข้อก็ตามอาจจะด่าบ้างขาบ้างทะลุบ้างพร้อยบ้างแต่ข้อหนึ่งข้อใด ย, ยังมีความบริสุทธิ์อยู่แต่เหตที่เคยสนฉุดหยิบใจเกี่ยวกเรื่องสินเรื่องธรรมมาจึงส่งผลกรรมให้เขาไปเม า, เาัเป็นมนุษย์ ถ้าศีลหไม่มีสักข้อเลยเนี่ยตกต่าไปศุกลกรรมบิศวกรรมไม่ีไม่มีสักข้อเลยไม่มีโอกาสที่มาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อมาอามีโอาัาสมีโอกาสมาเอาปัดเป็นมนุษย์แล้วยิ่งเยี่ยมกว่าหัวใจของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยเย็นอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถไปต่อยอดให้ได้กับทุกลวงของหัวใจของเราอยาบถิกหัวใจตัวเงนะฮะเรารักษาศีลไม่ได้ เราให้ทานก็ยังไม่มีความเมตตาทานไม่มีอะไรพร้อมที่จะให้ทานบางทีมีแล้วเรื่องอะไรจะให้เสียดายมันมีเราเข้าปากขตัวเองมากกว่าเออถ้าหากไหว้เจ้าเผากระดาษมั น, ม, นมันไม่ต้องเสียหายอะไรมากแค่เผากระดาษเขียนเงินเป็นแสนเป็ น, ป น, ป น, ปนล้านเผาอุทิศทำบุญไปแต่หลายเคยได้คิดไหมที่พวกเราทํากันเนี่ย อ, อยากของเราท่านจะงอขนาดนั้นหรือเอาจะขอปลอมๆมสมให้ท่านเ <c oughs> น, น, นี่ยบางคนมีวิบากกรรมตายไปไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งเหลนี้เป็นวิบากโอ้เปลี่นแต่รอยเศษขยะที่เผาเพื่อทำบุญที่ได้กับบุรบุรภยัยบุญไปชนเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือเป็นคุณงามความดีสำหรับมาสนองเมตใจของเราไม่ได้รับความสุขไได้รับความชุม่มเย็นก็ได้แค่นั้นเองแต่ว่าความต้องการของวใจมันมีเราอยู่ในโลกที่เราก็ต้องการเราต้องการอะไรบ้างเราดูมาดูปัจจัยสีเราต้องการอะไรบ้า ง, าาา ง, าางที่วาสายัยอาหารเครื่องนุองอ่งห่มยารักษาโรคปัจจัยทั้งสี่เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยอัตภาพร่างกายนี้เราทิ้งไปแล้วไม่ใช่เราสูญเปล่า แต่ว่าศาสนาทุกศาสนาก็จะไม่สอนเหมือนเราบางคนก็ถือว่าตายเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแลว้วพวกเราไม่ใช่ว่าเราเพู่มาเกิดชาติสองชาติเราเกิดมาเป็นกับกบัเป็นอสงไข์เก่าเอาอะไรมาเป็นหลักทําให้เราคิดได้เราดูไปที่พระชาติของพระพุทธเจ้าสิสร้างบารามีไสย์สงไข่เสนมหาเกับประมาณูสิ นึกคิดอยู่ในใจออกปากแต่ยังไม่ได้ผ่านการพยากรณ์แลว้วรวมมาถึงผ่านการพยากรณ์และทําด้วยออกปากด้วยรวมทั้งสามลักษณะเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จไปแล้วยี่สิบอสมไขหรือความเปที่<ม><ม>นอกจากนั้นกำไรแสงมหากรรษและกับหนึ่งกับหนึ่งมาระยะเวลามันน้อยเสียวเสี้ยวเมื่อไรเรามาฟังดูพวกเราอยู่ในพัชกับทุกวันนี้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ อุบัติมาแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วพระรูปของพระองค์ล่วงไปแล้วสี่พระองค์ยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์ยังไม่หมดหนึ่งกลับนะพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วสี่พระองค์ยังไม่หมดหนึ่งกลับพระรามาบัติในโลกที่มีความบันดมสมบูรณ์ไปด้วยพระพุทธเจ้ามาถ้าพูดเอาไว้ว่าบางกลับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติเลยแล้วพวกเราอยู่กันยังไง จะมีธรรมะอะไรที่มาบอกมาสอนมดเดือนพวกเราให้เราขวนขวายสร้างคุณงามความดีเห็นสาระแก่นสารของชีวิตจิตใจของตัว เ, เองไม่มีในที่สุดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็อยู่เดี๋ยว เ, เรื่องของกิเลสกรรมวิบัติกิเลสกรรมวิบัติสะสมในเรื่องของกิเลสด้วยเหตุที่เรามาบัดในใ น, ในกลับที่มีพระพุทธเจ้ามาบัตที่ห้าพระองค์นี้เหล็านี้เองแต่พระพุทธเจ้กาก็ปล่อยให้พลาดหลุดไปแล้วหนึ่งพระองค์สองพระองค์สามพระองค์ ดีไม่ดีสี่พระองค์ที่กาลังทรงธรรมะของพระองค์อยู่นี้ดีไม่ดีจะปล่อยหลุดม้หลุมือไปอีกก็จะบีนะเพราะอะไรเพราะพระ พ, พุทธองค์พยายามทรงปลุกเท่าไหรพวกเราก็ไมย่ยอมตื่นนอกอยากพระองค์ทรงปลุกให้ตื่นแล้วมันยังมีพระสงฆ์ ส, สาวกพระอญญาญะสาวกรวมถึงครูอาจารย์ยุค ข, ของพวกเราเนี่ยพยายามบอกพยายามสอนพยายามเทศพยายามนู่นตลอดอายุไขท่านเราบรรลุเธิดลูกตาเราหกสิปีเจ็ดสิปีพยายามมาปลุกปลอบพวกไรพวกเราเนี่ย บางคนยังไม่ตื่นไม่ซ้ำคุณทราบหลบปลอบเทสะอบรมสอนจนล่วงไปตามอายุไถ่บางคนก็ยังไม่ตื่นด้วยซ้าไปเรามาดูสินี่ขนาดเราอยู่กับกับที่มีความเจริญที่สุดอยู่แล้วเรายังพลาดโอกาสถึงขนาดนี้บางคนก็คิดออาอายุแต่ยังติดใจอยู่กับความเป็นอยู่งูอยงี้อยงอย่างนั้น จะเสียสละให้ทานเด็มที่หรือเสียสละใไม่ได้โอ้อันนั้นก็ยังขาดอันนี้ก็ยังเขินดีไม่ดีที่จิตมานะยังมีมากโอ้ให้ไปเสียเปล่าให้ไปเสียปลกเสียได้ยังมารักษาศีลก็กลัวจะเสียเปลี่ยนเคยข้าสัตเคยนักทรัพย์เคยประพฤติผิดในการมลูกเขาโัวกเขาเมียเขาบ่อยๆอยู่ับ่อยครั้งหนึ่งเดือนจะตั้งใจรักษาศีลปับเสียเปลี่ยนไม่ยอมเอ็ดขาน เคยพูดสนุกสนานเฮาสนุกเลิศเพลินไปตามเรื่องเพราะกามตังหลายท่นมันปั่นไปหัวนใหยุดไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้เบ้นไม่ได้เคยมีความเคลิ้มเคลื่ไปกับน้ําดองของเหมาเนี่ยรับไม่ได้เบ้นไม่ได้เนี่เราจะมาตั้งใจรักษาศีลได้อย่างไรใจว่าการตั้งใจให้ทานมีผลมีอนิสงส์การตั้งใจรักษาศีลมีผลมีอนิสงส์การตั้งใจภาวนาสมถภาวนามีผลมีอนิสงส์การตั้งใจพิจารณา ให้เกิดปัญญาทำลายความหลงในกิเลงตัวเองนะมีผลมีอานิสงส์แต่อย่าลืมว่าอานิสงส์นั้นมันจะแตก ต, ต่างกันอานิสงส์จะแตก ต, ต่างกัน <c oughs> เราพูดถึงความโชคดีของพวกเราเราม า, าบัตในพัทธกัปพัทธกัปมีพระพุทธเจ้าท่านม า, าบัตที่ห้าพระองค์เดี๋ยวนี้เราอยู่ในรัศมีธรรมของพระพุทธโกดมสัมมาสัมพุทธะยังเหลือเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์หมดอืม ทั้งปริยญาทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทที่คุณบางใจท่านส่งไว้อยู่ตามป่าตามเขาผู้ที่สดบสนใจท่านอยู่อย่างสงบเงียบของท่านมีอยู่เราอยากจะคิดว่าพระอาหารสูญไปจากโลกรับได้พวกเราตั้งใจถือตามเราพตามปฏิบัติตามถึงขนาดไหนถึงขนาดที่พวกเราที่นี่ก็ตั้งชมรมที่นั่นก็ตั้งชมรมที่นั่นก็ตั้งชมรมอย่ากคิดว่าเขาก็จะเหมือนเราเราก็จะเหมือนเขาไม่เหมือน บางคตะกตัต้งใจปฏิบัติอย่างยิ่งยวดเลยนี่เหมือนอย่างที่วันมาฆะนี่เคยดวยวันมาฆะวันตรงนี้บางคนตะโกนตั้งใจถวายพระพุทธเจ้าเลยในสัจฉิทั้งคืนนี่ไม่ยอมนอนภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมยืนเดินนั่งอยู่นะไม่ยอมนอนยอมเสียสละความหลับนอนทําใจใหญ่เกืบแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงแป๊บเดียว แต่ถ้าใครกิดจใครอ่อนกลัวเปียกตั้งไมาเลยดอกแต่ถ้าเราตั้งใจตั้งเจตนาตั้งความอธิษฐานตั้งเจตนาขึ้นมามันจะมีพลังเสริมเข้ามาระยะเวลาแค่คืนเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็สว่างแล้วเราจะว่าเราไปอยู่ตามสำนักต่างๆท่านจะพาเราทําวัดสวดมนต์ทั้งทําบัดทั้งสวดมนต์ทั้งฝันภาวนาทั้งพูดทมทั้งอบรมทำเราได้รับความรื่นเริงได้รับความเพลิดเพลินจาก เรื่องของจิตเรื่องของธรรมโดยก็ได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นจากที่เราอุสามารถสงบระนับดับอารมณ์หววใจของเราในสิ่งเหลนี้เป็นเรื่องสําคัญเรายังมีเต็มไปหมดเราจะปฏิเสธได้อย่างไรรู้ติดยศ้่าทรงตรัสว่าตราบใดยังมีผู้นําธรรมะของพระองค์ไปถือตามไปตั้งใจประพฤตปปิตามไปปฏิบัติตามพระอรหันต์จะไม่สูญไปจากโลกเดี๋ยวนี้ปริยญตยังมีเต็มแพร่ปฏิบัติยังพากันทําเต็มไปหมด ที่คิดแต่ว <laughs> ่าเรากรีมยิ้มยิ้มเราอยู่ตรงนี้เราภาวนาราภาวนาเราภาวนาที่อื่นเขามีเต็มไปหมดสถาบันนั้นมีชมรมมหาวิทยาลัยนี่มีชมรมองค์กรนู้นมีชมรมเต็มไปหมดนี่แล้วพอไปเที่ยวตัวเวทเที่ยววัดเกือบทุกๆองค์กรก็มีชมรมกันชมรมธรรมะนี่แหละแล้วชมรมธรรมะที่เราไปรวมกันไม่ใช่ยังมีหัวใจเท่ากัน บางคนตั้งใจเด็ดเดี่ยวเขามุ่งมั่นดีๆดมาแล้วเขายึนเสริมตัวเขาเองให้ขยับขึ้นหน้าไปไกลๆพูดอย่างนี้ให้พวกเรากรดิยิ้มย่อมแล้วก็ภูมิปกภูมใจกับชีวิตจิตใจของเราที่เราได้อบัตมาท่ากลางท่ากลางพัะพระกับมีพระพุทธเจ้า ม, มาอบัตแต่ยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์อย่าลืมว่าอีกหนึ่งพระองค์ที่จะมาอบัตเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญ บุญเราไม่พอไม่มีโอกาสที่จะพบท่านหรอกพระเียระยะเมตดใรเนแต่ถ้าเราทําตัวเล็ะเท็ะเหลวไหลพระพุทธเจ้าร่วงไปแล้วทั้งสาพระองค์สี่พระองค์ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยบางคนแค่สินสักข้อนี่จะรักษาอย่างไม่ได้ี่ยไม่ต้องฝันถึงท่านแบบเงาท่านก็ไม่เห็นเวลาท่านมาอุบัติเราไปอยู่ที่ไหนทําไม่รู้ดีไม่ดีไปเป็นเสด็จชานดีมาดีอยู่คุ้ไหนก็ไม่รู้แหละเวลาท่านมาอุบัติ เราก็พลาดจากโอกาสโดยเหตุที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําตั้งความอธิษฐานตั้งใจปราถนาให้ประสบพบเห็นตราบแี่ยังไม่ได้บรรลุธรรมพ้ทนทุกข์พ้นโทษในศาสนสา ส, นสาธาธรรมของพระพุทธโคโดมของเราหรืออธิษฐานมาแล้วตั้งแต่นุ่นพระกัคุสันโธพระโคนากรรมพระกัสโกไม่แต่พระพุทธโคโดมของเราโดยเรี่ยวรที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจแต่โอกาสมันยังเล็ดลอดออกไปยังไม่ได้ ขอให้เรามีโอกาสได้ประสบพบเห็นพระศิริอรยะเมตไตรใครได้ไปบำบัดในศาสนาของพระองค์ได้ฟังธรรมจากพระโอ์ของพระอง ค, ององค์น้อยนักที่จะได้ ไ, ม, ไม่ได้บรรลุธรรมมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเพราะยุคนั้นเป็นยุคที่คนมีบุญไปเกิดคนมีบาปจะเกิดไม่ทำหรอกเป็นคนที่มีอายุยืนมากศาสนาของพระองค์ที่จะมาอำบัดมีเราพูดด้วยความที่ความเป็นผู้มีโชคดีของพวกเราเราขวนขวายอยู่กับ หลั ก, กับการกับงานเหล่านี้เชื่อว่าเป็นคนเป็นผู้ที่รู้จักหาแสวงหาแก่นสารสาระให้กับชีวิตจิตใจของเราใจของเราคือท้ารู้อุปัติมาตามบุญตามกรรมพัฒนามาตั้งแต่นู้นนานเท่าไรเราก็รู้ไม่ได้เป็นกับกับเลยทีเดียวแหละไม่ใช่เราเาพิ่งมาเกิดปีอัตภาพสองอัตภาพไม่ใช่เกิดมามากมาย ม, า ม, ามาหาศาลเกิดมาตามบุญตามกรรม พัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรผูร้รูของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตั้งว่าสิ่งที่จะพัฒนาให้เราวนเวียนไปในวัฏสงสารเป็นอันว่าผู้รู้ท่ารู้เกล็ดเก่ามันส่งเรามาแล้วไอ้ที่มันจะพัฒนาไปในวัฏสงสารเราจึงทรงตั้งไว้ที่อวิชชาปัจจะยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นกองสังขาร องคสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบร่างกายก็มีส่วนประกอบสิ่งปรุงสิ่งประกอบดินน้ำลมไฟจิตใจพวกเรามีสิ่งปรุงสิ่งประกอบเพระจิตใจพวกเรามีกิเลสตัณหาอาสวะผนเปื้อนอยู่ในนั้นบวกกับทาารู้ของเราพระอารหันต์ที่ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านชักท่านล้างได้หมดแล้วเหลือแต่ท่าเหลือแต่ทาารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับกิเลสตัณหาอาสวะเพราะชักล้างกันไปหมดแล้ว ใครอามมติใครอมัมชาตถทาให้กับหัวใจของเราไม่มีเราสะสมมาเองจากความโลภมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราความโกรธมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราราคะทันหามันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราเราเคยมาคํานึงคํานวณมาพิจารณามาค่อยคุณตามไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ ไ, ได้วยเหตุใดนี่ดปวยเหตุที่เราได้ผู้รู้มาผู้รู้เราได้ดิบดิบยังไม่ถูกซักชักถูกล้างถูกซั ก, ถ, กถูกฟอก ผู้รู้ของเรานี้มันออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายแล้วก็น้อมนึกในทางใจนี่เราได้มาวันในปัญจโกการมีอาการทางห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเมื่อมีทั้งรูปมีทั้งนามมาประกอบกันรูปมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของผู้รู้ของเราเวทนาเวท น, นาขันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของผู้รู้ของเราสัญญาสังขารรวมไปถึงวิญญาณ แ ต, แต่ละขันแต่ละขันเป็นกิริยาอาการของผู้รู้ของเรารู้อุบัติเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่รู้ที่ยักตะจมตั้งไว้ที่อวิชชาอาวิชชาด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหรือมีแต่ศักดิว่าเป็นรู้รู้ยังไม่ได้พัฒนาตัวให้มาถูกทางเนี่ยก็พัฒนาไปตามอำนาจของความอยากตาไปเห็นรูปมันก็อยากหูได้ยินเสียงก็อยาก เรามาดูมาพิจารณาดูว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะฮมันออกไปทางตาตาเห็นรูปเจ่าผู้เห็นนะั่นคือใจใจเห็นตาศักดิ์ทว่าเป็นประตูนฮะมันออกไปทางตาไปเห็นรูปรูปที่ดีมันก็รู้จักรูปที่ไม่ดีมันก็รู้จักเพราะรูปที่มันไปสัมผัสทางตาไปสัมผัสแล้วรู้สึกมีความสุข รูปบางรูปมันไปสัมผัสแล้วมันไม่มีความสุขมันมีความทุกข์คือนอย่างสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่เราไม่พอใจไปสัมผัสปั๊บมีความทุกข์แเมื่อมีความทุกข์เราก็ไม่พอใจนี่เป็นที่มาของความโกรธแต่จร่งเราไปสัมผัสทางตาปั๊บเรามีความสุขมันธรรมชาติมันจะบอกได้เลยแหละหูตาจมูกลิ้นกายใจของพวกเรามันสัมผัสมันบอกได้เลยะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิขึ้นมาจะาอำนาจเขาความโลมโลภตาเราไปเห็นรูปรูปดีมันดึงเข้ามามันดึงามามันชอบเข้ามาจนเป็นเหตุสะสมให้เกิดความโลภในหัวใจาของเราเนี่ยรับขี้อยากได้มาสิ่งที่ดีสิ่งที่งามไปสัมผัสมมแล้วมีความสุขในหัวใจแทนที่กินสุกมาที่ยอดของมันก็คือหัวใจของมนุษย์ของเราของท่านนะติดความสุขไปพิจารณาให้ดีนะความสุขย่อมยิ้มยิย้มเล็กเล็เล่น้อยเราก็ติดเนี่ เราติดความสุขสิ่งที่เป็นเหตุให้เราได้รับความสุขเราจะยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาสะสะแสวงหาเข้ามาสองแสวงหาเข้ามาสแสวเข้ามแสวงหาเข้ามามีอยู่ในครอบครองแล้วก็หึงก็ห่หวงก็ทะลุก็ทะนอมอยู่นั่นแหละเหมือนอย่า ง, เ, งาเรามีอัตภาพร่างกายเราอยู่เย็นเป็นสุขอ้วนพีขาวผ่องกําลังงามอยู่ติดไหมติดเลยไม่ติดเราเสียเกีดดยรติเสิสวยละเกินงามละเกินขาวละเกินผ่องละเกิน อยาให้ยืนยงคงอยู่อย่างนี้ตลอดการไม่อยากมันเปลี่ยนแปลนี่คือความลุ่มหลงยึดเข้ามาท่านก่าวลุ่มหลงด้วยเหตุจริงด้วยเหตุที่ไปประสบสีที่ไม่พอใหญ่ประสบแล้วมีความทุกมพลาออกไปกลับออกไปอันนี้ก็เกิดขึ้นจากอํานาจของความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นกิริยาของความโลภเกิดขึ้นจากอํานาจของความหลงกิริยาของความโกรธที่ผลักออกไปกลับไปก็เป็นอนํานาจของความหลง ชาสนธรรมขอพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นจากความหลงสอนให้เราตั้งสติสอนให้เราตั้งสมาธิมาที่ตาที่หูที่จมูกที่นิ้วที่กายสุขลงมาที่ใจตั้งกึกลงมาที่ใจขึ้นมาทันทีกำหนดจดจ่อพิจารณารู้ที่ไปรู้ที่มารู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษของสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากเห็นด้วยอํานาจของกิเลสตัณหานั้นน่ะ สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบใจดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามามีพิษมีสงุรายกาดขนาดไหนก็ตามไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ได้ไขควรไม่ได้พิจารณาว่าได้ใจชอบใจต้องการดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามากับสิ่งที่ปนเปื้อนมากับทุกข์กับโทษกับพิษกับภัยเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เข้าใจศาสนธรรมของรุ่มติ๊เจ้าท่านจึงให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเริ่มต้นเล่ามาตั้งแต่การให้ทานรักษาศีล เรามาที่สมถะเรามาที่วิปัสสนาเป็นการพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดคือความมีขั้นสูงสุดจนสามารถจะล้างความลุ่มความเลอะความตกรธความลุ่งหลงในหัวใจได้วิธีการก็เป็นไ ป, นปนตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้เรามาพู ด, ดย้อนไปถึงวันพรุ่งนี้วันเป็นวันมาคบูชานะเกิดวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา ละชั่วให้ทําดีและให้ทําใจให้บริสุทธิ์สัพปะปปัสสะกระนังเว้นจากการทําชั่วทั้งปวงกุศลสู้กุศัมปท า, าให้ตั้งใจทําบําเพ็ญกุศลเกี่ยวกับคุณงามความดีทั้งหมดแต่ถ้าเราตั้งใจละชั่วแล้วก็ตั้งใจทําดีพื้ น, นยังไม่ได้เจาะลึกเรียเข้าไปที่หัวใจ เราก็จะวนเวียนอยู่นี่แหละเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์แล้วก็สัตว์เปลี่ยนไปเป็นเทวนาเป็นชั้นอินชั้นพรงเป็ น, น, ปนทั้งพรหมชั้นเ ท, เทวนาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นวนเวียนอยู่นี่แต่ยังไม่จบหาเจ้าท า, า, างออกยังไม่เจอพระพุทธเจท่านจึงทรงสอนหลัทลกที่เรียดนึกเข้าไปอีกที่เรียกว่าสกิตรประโยชน์ปณัปทําใจให้บ่อที่สุดเขามาทําใจให้บริสุทธุดคือพยายามชําระผู้รู้ของตัวเองให้บ่อที่สุด ผูรู้ของเราไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปนเปื้อนมาคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสปัญหาราคะน้อยใจของเรามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากความหลงมันมันหลงมาแล้วมันหลงมาแล้วผูรู้ขอเรามันเป็นวัตถุเด็ดยังไม่ได้เคยถูกชะถูกล้างถูกซักถูกฟอกถึงจะถูกชะถูกล้างถูกซักถูกฟอกแต่มันก็พร้อมจะ ก, กลับได้ในเมื่อมันยังไม่อยู่ตัว แต่ถ้าถึงขั้นอยู่ตัวถึงขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหรือมาขั้นสี่หมดจบอย่างไม่น้อยขั้นแรกเนี่ยพระสวดดา บ, บันมาสวดดา บ, บันถึงขั้นอยู่ตัวขั้นหนึ่งเราชะเราล้า ง, งด้วยสถิด้วยปัญญาทําทให้เรารู้ทําให้เราเข้าใจแต่ถ้าที่เรายังไม่อย่างละเอียดลึกเข้าไปถึงสิ่งเหล่านี้ได้เราก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จบจบอย่าลืมว่าวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้แล้วเกิดอีก แก่เจ็บตายแต่แล้วเกิดอีกทำไมจึงเกิดพระพุทธเจ้าท่านกลัวความเกิดแต่พวกเราทั้งหลายไม่เคยคิดถึงไม่เคยกลัวความเกิดเรากลัวแต่ความแก่ล้วกลัวความเจ็บแล้วเรากลัวความตายพระพุทธเจ้าท่านกลัวความเกิดเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมเราจะหยุดฉลองความแก่ความเจ็บและความตายได้ย้อนมาถึงความเกิดอะไรเป็นเหตุเราเกิดเนี่ยห เป็นีน่ระองค์ได้มาขวนขวายจนมาเจอหลักอันยิ่งใหญ่คืออริยสัจทั้ง4ี่ท่านขวนขวายประสบกับเนด้วยพระองค์เองเมื่อก่อนนักรองทรงบำเพ็ญทำหน้าติใจกับอ า, าราธดาบทได้สมาบทเจ็ 7, ไปต่อที่อุทประาบทได้สมาบทแปดแท้สงบระนับทําให้ใจของเราสงบระนับเท่านั้นเองยังไม่ได้ทราบส า, ส า, สาเหตุต้นต่อที่แท้จริง เพราะลัทธิคือความสงบอันนี้มีอยู่ประจําโลกมาไม่เคยขาดพุทธิยาจะอุบัติก็ตามไม่มาอบัติก็ตามอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นอยู่ในโลกเพราะโลกเราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อุบัติมาเพื่อเป็นเครื่องคอยซักคอยฟอกคอยฉักคอยล้างเป็นหนาทางที่เราจะต้องปรีแควะเข้าไปอยู่ไปศึกษาไปบําเพียรแล้วโลกเราเนี่โอ้ยไม่ต่างอะไรกับหัวใจของมนุษย์ของสัตว์มันไม่ต่างอะไรกันเล ย, เลย เรื่องของความโลกโลกไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเรื่องของความโกรธเตียดแค้นอาฆาตฆ่าพยาบาทไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นกรอบเป็นเขตเป็นจํากัดไม่เคยศึกษาเจาะลึกเข้าไปพื่อทีจะทาให้ใจของเราบริสุทธิ์สกิตธะประโยชน์นักปณันทําใจให้บริสุทธิ์เนี่วันวันรุ่นี้ทั่นถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งวันมาคัตบูชาที่พระพุทธท่านทรงทรง แสดงจากตรงพระสนิบาตเป็นวันสําคัญวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามนะเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือนสามเราถือว่าเป็นวันมาฆบูชาบางที่เ้าก็เวียนเทียนกันเอาสัญลักษณ์ของวันเพ็ญเดือนสามนี่แหละมาเวียนเทียนเราเลืกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพราะวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศเป็นวันที่มีความอัศจรรย์สามอย่างสี่อย่างมาประโชยเหมาะกันนะฮะ สาวของพระเจ้าหนึ่งสองร้้าสิบองไปประชุมกันโดยไม่ได้นักหมายทาัทง้ทงๆ ท, ที่ไม่มีมือถืออยู่ในมือมอย่างพวกเราทุกวันนี้นะกดบอกโน่นบอกนี่มีเฟซมีเฟสคบ ก, กันนะอยู่คนละที่อยู่คนละทวีตสามารถบอกกันได้หมดยุคนั้นสมัยนั้นท่านใช้สื่อทางจิตนออนไลน์ทางใจนะรู้ <c oughs> เห็นแล้วไปไประรวมกันไปประกอบกัน สอหนึ่งพองที่วัดเวรวันวัดเวรวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาอยูวว่เมราชครึ่เนี่ยวันนั้นอ่ะวันนั้นเป็นวันที่มีความสําคัญใหญ่ๆสามอย่างสี่อย่างพระอรหันต์ทั้งนั้นและพระอรหันต์เหล่านี้เป็นเอหิภิกขุทั้งนั้นเขาเอหิภิกขุหมายว่าพระพุทธเจ้าท่านบวชให้เองจงเป็นภิกษุมาเถอด ถ้ามันเรากล่าวดีแล้วเพราะบางคนนี่ยท่านเป็นพระ า, ารหถนตถึงขอบวชนะอ่เช่นอย่างพระยศศรีเนี่ยเธอจงเป็นพิสุ์มาเถิดถามันเราเปล่าดีแล้วบางคนยังไม่มีนิสัยถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเรื่องความ ม, มีความเรื่องสายสถานแล้วขอบวชพุทธิยพละให้งงบวชเธอจงเป็นพิสุทธมาเถิดถ้ามันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติประมาจาันเพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธออันนี้พูดผู้ที่ยังไม่ได้มันต้เป็นพระอาหารหันนะแต่ผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันแล้วเธอจงเป็นทิกษุมาเถิดทาอันเรากล่าวดีแล้วเ<ม>นี่ยสาเร็จรูปเป็นพระอาหารหันนะสําเร็จรูปเป็นเป็นเพศได้ถึงเพศ ม, มีเหลืองมีอะไรนุ่งเหลืองๆมันจะมันจะมีขอสําเร็จรูปมาพันกายเลยว่างั้นแหละอะ มีบริคาร8ครบเรเจ็ัพท์โดยสมบูรณ์เรามาพิจารณาถึงแค่นี้ถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้ทีนี้เราก็ทึ่งแล้วว่าอํานาจของพระพุทธเจา้าพุทธานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดไหนทารสร้างบารมีของพระองค์มาเนี่ยครบสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างไม่มีบินอะไรเลยทุกอย่างเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์มาหมดสําเร็จได้ด้วยอํานาจของธรรมของใจอํานาจของใจอํานาจของธรรมในหัวใจของพระองค์ นึกยังไงคิดยังไงเป็นอย่างนั้นได้หมดเี๋ยวรอไปจิบนี่คือพลังของธรรมคืออำนาจของธรรมเดี๋ยวนี้เราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจของเราเราจะเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์เราพยายามประดิดคิดค้นมาโดยเฉพาะในไอ้เท่าฝ่ามือที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี่เราสมัยพูดธการท้าไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือจะยอมจิตใสเท่านั้นแหละยอมจิตยอมจิตกันจิต เร็วลุตเร็วมากกว่าเราก็เร็วมากอันนั้นคืออํานาจของจิตไม่ใช่อํานาจของวัตถุมันเป็นอนํานาจของจิตจิตคือผู้รู้ผู้รู้เนี่ยไม่ใช่วัตถุแต่อที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยแม้แต่สัญญาณมันไปในท้องฟ้าอากาศมันก็เป็นวัตถุวัตถุเท่านั้นที่จะมาสัมผัสวัตถุได้พระยมิจิศาวิทยาศาสตร์จึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงนามธรรมา ท, ที่พุทธิยถาสมกลางคือนามธรรมา ใจของเราไม่มีอะไรจะมาวัดได้แม้แต่หมอทั้งหลายเราเอาปลอดเอาโนนอันนี้มาวัดวัดได้แค่สิ่งที่เป็นกลิ่นไอของวัตถุธนบิณฑ์วัดความร้อนอยเนี่ยวัดป่วยวัดไข้วัดโรควัดโรงนี้วัดอะไรต่ออะไรมันจะเรื่องของวัตถุทั้งนั้นใจเราเรียกว่าเป็นพลังงานยังไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่เราไม่มีอะไรจะเรียบเราก็เลยเรียกพลังงานเพื่อให้เราเข้าใจธนบิณฑ์ มันเป็นงานทางด้านจิตใจมันไม่ใช่พลังงานเหมือนอย่างที่เราเวยาขาดก็เรียกร้อเรียกกันไม่ใช่พลังงานจากเสียงจากความร้อนจากอะไรต่ออะไรเราเรียกไม่ได้นี่เหมือนอย่างเสียงที่เราพูดๆแบบนี้ะมันเป็นเรื่องของรูปนั่นแหละอย่าลืมว่าลมลมคำพูดเมันเป็นลมนะลมเป็นวัตถุนะมันเป็นวัตถุนะพอไปสัมผัสปั๊บมันก็ออกเป็นวัตถุจใจน่ะ มันไม่ใช่วัตถุแต่ผู้มีความสามารถสามารถฝึกให้เป็นไปได้รู้ใจอย่างที่เที่ได้บอกรู้ใจรู้ใจยุคของพเราเหมือนอย่างที่ว่าหลวงู ม, มั่นหลวงปมัน่นท่านรู้พระจิตพระจิตท่านมองเห็นหมดอะไรพวกเรานึกอะไรคิดอะไรปรุงอะไรพูดอะไรเห็นหมดละเอียดมีความมีความสามารถ ถ, ถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นแต่อันนี้มันเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธะทั้งนั้นเลยแต่พระสงฆ์สาวก พ, พระยาสาวกบางองค์ ท่า ม, Kid, ดดามีภูมิจิตภูมิตามถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นท่านรู้ได้ที่เรียก ว, ว่าภราจิตภราจิตรู้จิตของคนอื่นรู้จิตของสัตว like ์อื่นมันหากมีได้มันละเอียดถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นแต่โดยจิตพื้นๆ อ, อ, อย่างพวกเราธรรมดาเราสัมผัสไม่ได้เราสัมผัสมผไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าตั้าผมตั้งใจไปธรรมะของพระ oui. พุทธเจ้าไม่ใช่ละเอียดหรือถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นถึงก็ว่าหัวใจของเราสัมผัสสัมผัสไม่ได้ สามารถสัมผัสได้เพราะสัเพราะธรรมะของพระองค์นั้นน่ะเรองอามาสอนที่ลุกเสียงอินรสกทพัทธรรมารจสิ่งวันนี้เป็นเครื่องสัมผัสที่ใหญ่และก็สิ่งวันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะตามหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์เนี่ยผู้ที่มีภาระจิตผู้ที่มีภระจิตท่านท่านเรียกว่าเป็นผู้มีภูมพิพิเศษ ที่เราปิญญาปิญญาจะรู้ยิ่งรู้ยิ่งเกินความจริงที่เรามาทําให้ความโลภความโกรธในหันวใจของเรามันหมดไปมันสิ้นไปมันมีภูมิรู้พิเศษเกินนั้นไปที่ในภาวะปัญญาหกเนี้ยหูทิพตาทิพย์ฉะนั้นก็สามารถทำเกเรให้หมดไ ป, ปเปลี่ยนในวาสานาสติยาแล้ลึกพบชาของหลังย้อนหลังได้ลึกลึกพบชาติของสัตว์ทั้งหลายได้ พระเจ้าตัวเองได้ราลึกถึงเบื้องหลังได้ทั้งหมดแล้วที่อีกอย่หนึ่งก็คือมีความสามารถทําอาสวะหน่วยใจของเราให้หมดไปได้นี่คือภูมิหลังเหล่านี้เรามีภูมิหลังเหล่านี้พระสาวกของพระพุทธเจ้ามีภูมิหลังที่แตกต่างกันมาโดยเหตุที่ท่านฝึกฝนอบรมและก็มีเป็นไปตามความมุ่งมั่นที่เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานทำมาธิษฐานอธิษฐานโดยธํา เราจะเห็นว่าอธิฐานธรรมมันมีอยู่ในข้อนึ่ในบารมีของพระปฏิจจาอธิฐานบารมีพวกเราทั้งหลายเราตั้งใจทําบุญตั้งใจให้ทานเราก็อย่าลืมให้เรามีอธิษฐานบารมีด้วยอธิษฐานบารมีคือความตั้งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นตั้งเป้าประสงค์เอาไว้แตตั้งเอาไว้เฉยๆไม่เดินไปไม่มีโอกาสได้ไปถึงดอกเราตั้งเอาไว้แล้วเราพยายามเดินไปตั้งแต่อธิฐานบารมีอะไรที่เป็นเหตุให้เราได้ประสบพบเห็น คุณสมบัติตามที่เราตั้งความปรารถนาเอาไว้เราพยายามเดินเอาไว้พยายามพยายามเดินเข้าไปเนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงพระอรหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ไปประชุมโดยไม่ได้นัดหมายพระอรหัเหล่านั้นลดเป็นเอหิปิสุพระคุณเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งหมดบวชให้ทั้งหมดแท้จริงมีพิสุมีพระมีพระ<ม>อรหันตแค่สามกลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพระโอลุยลักษัสปะ กลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มเพื่อนของพระยักษิ์กลุ่มเพื่อนของพระยักษิหนึ่งพันสองร้อห้าสิบงค์ก็เป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนของเป็นกลุ่มเพื่อนของพยศักดิ์รวมทั้งเป็นกลุ่มเพื่อนของพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะรวมแล้วเป็นหนึ่งพันสองรห้าสิบองค์ ที่ไปไประชุม ก, กันโดยไม่ได้นั้นไว้วันนั้นและวันนั้นเป็นวันที่พุทธเจ้าททร ง, งโอวาทโอวาทธรรมแสดงแทนการแสดงพระปาติโมะ ป, ปกติวันเพ็ญแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านจะให้ระสมสวดพระปาติโมะแต่หลังจากวันนั้นพระงองค์ทรงแสดงธรรมเป็นธรรมโอวาทโอวาทปาติโมกสี่มีอยู่สามคาถาตีหินคาท่าหินมีอยู่สามคาถาที่ท่านพูดเอาไว้ เริ่มตน้นด้วยสัพพะปัสสะการันต์นการไม่ด<ม><อ>ับบาปไม่ดับบาป<อ> ท, ทั้งปวงกุศลสู้สมถะปราชัยยังกุศลให้ถึงพร้อมสกิตะบริยโยดะปัญาทําใจให้บ่อริสุทธ์เพาะว่าทําใจให้บริสุทธิละเอียดไปถึงสมถะละเอียดไปถึงวิปัสนาละเอียดไปถึงชักล้างความโลภความโกรธความรุ่งหลงให้หมดจดให้เหลือแต่ผู้รู้ที่หมดจดสะอาดเหลือหนึ่งเดียว ใจของเราคือผู้รู้ของเราถ้าหาพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดจะเหลือแต่ผู้รู้ที่หมดจดอยู่หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับความโลภความโกรธอิจาริเสียพยาบาทราทัศนาไม่มีเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเห็นคุณเห็นโทษของเห็นคุณของธรรมทั้งหมดเห็นโทษของกิเลสทั้งหมดนะทําไมท่านจึงเรียกว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงทำไมท่านจึงเรียกว่ากิเลส เพราะเวลามันมากุ้มรุมในหัวใจของเราแล้วม um, ันทําให้ใจของเราเศร้าหมองท่านพิงให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสล้วว่าสภาพทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเวลามันกุ้มรุมในหัวใจของเราทีไรเมื่อไใ่ใจขอเราเศร้าหมองไม่เชื่อลองดูที่ความโลมันกุ้มรุมในหัวใจของเราโอยโยโอยไม่มีจุดจบไม่มีจุดจบมีอะไรมาขัดฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าโกรนโกรนแล้วก็ฆ่ามีอะไรมาขัดแล้วกฆ่าลอกลอกเสาะเสาะแสดงหาแสดงหนาแสลงหา มีอะไรมาขัดมาข้อมาคาข้าฆ้าข้ า, ข า, ข า, ขาให้พ้นจากให้พ้นจากสิ่งที่มาขัดขวางในหัวใจของเราอย่าลืว่าสิ่งอันนี้มันมีมาหมดแล้วในเรื่องความโลภกับความโกรธแล้วน้องมาใส่ในหัวใจของเรามันมีทั้งนั้นแหละสิ่งอันนี้มันพาให้ใจของเราเนเศร้าหมองทัน <deven> ทีว่ากิเลกกิเลสอ่าแท้ที่จริงมันก็คืออํานาจของตัณหาคือความอยาบในหัวใจของเราเราจะรู้จักเอาหลักมาจากไหน เราไปดูหลักในอริญญยสัจทั้งสิง่ถ้าพูดถึงทุกข์สมาุทัยมีโราหมทุกข์ท่านกาพูดอยู่ในวงของกายและวงของใจที่มีกิเลสถ้าเราพูดถึงทุกถึงทุกข์เนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของผลใจของเราที่มีความโลภความโกรธเป็นใจที่มีส่วนที่เป็นผลเป็นเหตุว่ามีกิเลสเต็มแปรกอยู่ในนั้นรวมมาถึงว่าอยู่ในช่วงที่ว่าจะได้มาบัดมีรูปธรรมคือร่างกาย มันเกิดขึ้นมาจากอำนาจของความโลภมันเป็นกิริยาอาการของผู้รู้ของเราสิ่งเหล่านี้มันยังเต็มแปร่อ ย, อยู่มันยังเป็นกองสังขารอยู่เมื่อใจของเรามีกิเลสกิเลสของเราเป็นกองสังขารอยู่สิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าทุกข์ทุเวลาเราต้องการจะชล้างหรือกําจัดความทุกข์ถ้าให้เราพิจารณากองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แล้วก็ย้อนมาดูสมุทยัย ความทุกข์ทั้งหลายทั้งนั้นเป็นผลมันมาจากเหตุหเหตุอันหนึ่งก็คือสมุทัยสมุทยัยหรือว่าลุขสมทยอนิจสัตจังดุทุกขสมุทยัยอนิยสัต์จังทุกขสมุทตเดียวทกสมุทยทกสมุทยตัวนี้แหละมันเป็นตัวพลังขับเคลื่อนในหัวญ่ของเราคืออะไรตัณหากรรมตัณหาราวะตัณหาวิภาวะตัณหา แต่เราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อรู้หน้ารู้ตาของมันเราไม่ต้องไปแย่ๆหรอกยอ้อนมาดูทีห่หัวใจของเราดูความอยากในหัวใจของเราหัวใจของเรามีความอยากยากตามอำนาจของกิเลสตัณหาท้าเรียกว่าสมุทยัยแต่ทายาตามอำนาจของมรรคตามอำนาจของมรรคที่เรียกว่ามรรคทุกสมุทยัยมีโรคมรรค มันมีเหตุสองเหตุมันมีผลสองผลฟังให้ดีนะเหตุสองเหตุเหตุหนึ่งก่อทุกข์ก่อโทษในหัวใจของเราเหตุอีกอันหนึ่งเราเจริญมาเพื่อสงบพระดับเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษในหัวใจของเราคือมารคเราะฉะนั้นอาศัยความขับเคลื่อนของใจเราจะต้องทําเอาเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นจากนั้นของของตัณหานั่นนหะ มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราทําพฤติกรรมที่จะเป็นกิดขึ้นที่กายที่วัยชาที่ใจของเราอํานาจมรรคในหัวใจของเราที่จะเรามาส่งระงับเพลิดให้เกิดความทุกข์ในหัวใจของเราเราก็จะต้องขับเคลื่อนในหัวใจของเราเราจะว่าอาศัยความอยากอยา ก, อ, ยากอันหนึ่งตามอํานาจกิเลสก็ได้อยากอันหนึ่งตามอํานาจของธรรมคือมรรคมัร ก, ก็คือสิลนสมาธิปัญญาศิลนสมาธิปัญญา เราเ้องมาที่มรรคเรามีข้อปฏิบัติเรามีแนวปฏิบัติถ้าเราไม่ไม่เนาะมาที่มรรคเนี่ยไม่รู้เราจะเอาอะไรมาแก้อะไรเพราะตัณหามันมีเป็นภาค พ, พื้นหัวใจของเราเราลองมาพิจารณาดูว่าบางพวกบางชาติเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกหาเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยมีแต่กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากหัว ใจของเรากรดูกกระดิกพลิกแปลงไปยังไงมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นผลรายได้ผลเพิ่มมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองเป็นสองเป็นสี่เป็นห้าเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันอัดแน่นอยู่ในนั้นะยิ่งไม่เคยคิดที่จะรู้เรื่องและเข้าใจที่จะมาแก้ไขตัดแหลงย่นย่อให้เหลือน้อยลงโดยซ้ำไปแล้วน่ะมันก็มีแต่พ่อคูนพ่อคูนพ่อคูนไม่มีจุดจบ ท่านกล่าวว่านัดจิตันหาสมาณนาทีน้ําทั้งหลายในมหาสมุทรน่ะเสมอด้วยตัณหาหนึหัวใจของคนไม่มีความอยากอะไรมากเลยมหาสาลที่ขั้นขั้นอันถึงระดับนั้นเรามาดูวันทั้งวันถ้าหากเราไม่ดําเรือเรื่องธรรมเลยมันนี่กิเลสหัวใจของเราเนี่ยมันออกมามันออกเมาแล้วมันสะสมเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลเพิ่มทั้งวันมีเด็ดผลของกิเลสนะ อันนี้มาหากเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเข้ามานโดยตัวขึ้นตามหลักธรรมชาติเขาหมัตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็ผานึกข่าวว่เราย้อนมาดูหัวใจของเราเถอะไม่ต้องไปสงสัยหัวใจของใครนั้นสงสัยย้อนมาหัวใจของเราทุกเพศทุกวัยไม่มีเว้นทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกวันนะไม่มีเว้นเว้นอย่างเดียวผู้ตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรม พอที่จะเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือต่อสู้ต่อกองกันมากครั้งองีกเพราะฉะนั้นอคตินกรรมของพุทธบริษัทของเราเราควรจะอยู่ยังไงเราถึงจะมีชีวิตกิจใจที่โปร่งแจ่มใสยูใหญ่สวยหาสาระแกมสารเข้าสู่หัใจของเราเราจะต้องอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมอยู่ได้ยังไงอยู่ด้วยทานมีกิจใจเผื่อแผ่เกี่ยวกเรื่องการให้ทานเพราะการให้ทานนั้นมีผลมีอานิสงอยู่ด้วยการตั้งใจรักษาศีล เพราะการตั้งจะรักษาศินนั้นมีผลมีอานิสงส์ดูไปเถอะสินทุกข้อตามชั้นตามผงสินห้าสินแปเนี้ยสินห้าเขาก็เราพูธบริษัทนี่ศสินปมันก็เป็นพูดบริษัทอยู่นั่นแหละสินสิสามเลนมันก็พูดบริษัทอยู่นั่นแหละศินสองี่สิบก็เป็นพูธบริษัทแต่เรามาแยกเป็นศินห้าสินแปดสินสองรี่ินระดับไหนก็ตาม ตั้งใจปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดไม่ห้ามมรตไม่ห้ามผลไม่ห้ามสวรรค์ไม่ห้ามนม่ผ่านไม่ใช่สินห้าปนิพานไม่ได้สินห้าก็ปานิพานได้ไม่ใช่สินแปดปนิพ า, านไ ด, ไ 8, ไนนไได้ต้องสินสองร้อยีย่สิบเจ็ดสินจะผ่านได้ไม่ใช่ขอให้ตั้งใจรักษาสินห้าให้บ่อที่สุดเมื่อเราตั้งใจรักษาสานสินห้าให้บริที่สุดแล้วเราก็เอาจิตของเราที่มีสินธรรมเต็มเปี่ยมอยู่นี้แหละมาเจริญสมาธิ มันไม่มีอะไรมาก่อควในหัวใจของเราเพราะใจเราไม่ผิดศีลมันไม่มีอะไรมายุเย่อเกาะควนมในหัวใจของเราใจของเราสงบได้ใจเพราะ เ, เราไม่สงบเพราะเราไม่มีศีลเมื่อเราไม่มีศีลพุติกรรม